ใจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงในเหมือนกันหมดมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันหมดที่มีความแตกต่างกันนั้นเกิดจากความคิดที่แตกต่างกันคิดบุญก็จะเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งคิดบาป ก็จะเป็นสัตว์โลกอีกชนิดหนึ่งอยู่ที่ความคิดของจิตใจของสัตว์โลกแต่ละดวงว่าจะคิดกันไปในทางไหนคิดไปในทางบาปก็จะไปเป็นเดะชะฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างคิดไปในทางบุญ ก็จะเป็นเทวดาชั้นต่างๆถ้าหยุดคิดได้ก็จะไปเป็นพรมถ้าคิดไปในทางธรรมก็จะไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระพุทธเจ้าแต่เป็นจิตเหมือนกัน เป็นจิต ท, ที่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันต่างกันที่ความคิดเท่านั้นว่าคิดไปในทางใดความคิดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ากรรมความคิดก็คือมโนกรรมมโนกรรมแล้วก็ถึงจะมาวัชีกรรมและกายกรรมต้องคิดที่ใจก่อน แล้วถึงจะพูดออกมาแล้วถึงจะไปทำอะไรต่างๆได้พระพุทธเจ้าจึงทรงตัดไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์โลกให้เป็นไปต่างๆกันให้ไปเป็นเปรตเป็นเทวดาให้เป็นเดชานให้เป็นมนุษย์อยู่ที่กรรมคือมโนกรรมเป็นจุดเริ่มต้นของกรรมทั้งปวง มโนกรรมก็คือความคิดนั่นเองคิดไปดางไทยคิดไปในทางใดก็จะเป็นไปในทางนั้นใจนี้เหมือนกันถ้าเปลี่ยนความคิดได้ก็เปลี่ยนการเป็นสัตว์ชนิดต่างๆได้ถ้าเคยเป็นเปรตถ้ามาเปลี่ยนความคิดคิดไปในทางทำบุญก็จะกลายเป็นเทวดาได้ ถ้าเคยเป็นเทวดาแล้วไปคิดในทางเปรตก็จะไปเป็นเปรตได้ถ้าไปทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตถ้าไปทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสูรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรกถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นเดชาน ถ้าไม่ทำบาปทำแต่บุญก็จะไปเป็นเทวดาถ้าไปฝึกจิตหยุดความคิดได้ทำจิตให้สงบได้ก็จะไปเป็นพรหมถ้าสอนจิตให้คิดไปในทางธรรมได้คิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็จะไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆแต่เป็นจิตดวงเดียวกันเหมือนกันทุกดวง ต่างกันตรงที่มโนกรรมก็คือความคิดนี้เองเหมือนกับรถยนต์ที่ผลิตออกมาจากโรงงานเช่นรถกระบะรถบรรทุกที่เรารถปิกอัพเวลาผิดออกมาจากโรงงานนี้เหมือนกันทุกคันแต่พอคนซื้อซื้อมาแล้วก็ไปดัดแปลงกันบางคนก็เอาไปทําเป็นรถสองแถวบางคนก็ เอาไปทำเป็นรถขายไก่ย่างไปขายกว๋วยเตี๋ยวบางคนก็เอาไปเป็นรถบรรทุกน้ำรถบรรทุกข้าวของต่างๆแต่ก็เป็นรถคันเดียวกันรถยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันผลิตจากโรงงานอันเดียวกันแต่พอคนซื้อมาแล้วก็เอามาดัดแปลงตามความคิดของคนที่ซื้อมา คนที่ซื้ออยากจะเอาไปใช้ทําอะไรก็ดัดแปลงรถคันนั้นอยากจะเอาไปใช้บรรทุกผู้โดยสารก็ทําเป็นรถสองแถวอยากจะเอาไปขายผลไม้ก็ดัดแปลงให้เป็นรถบรรทุกผลไม้อยากจะเอาไปทําเป็นร้านค้าเคลื่อนที่ก็ไปดัดแปลงเป็นร้านขายของขายผักขายเนื้อขายอะไรต่างๆ นี่คือรถทันเดียวกันที่ผลิตออกมาจากโรงงานอันเดียวกันแต่ได้รับการดัดแปลงจึงทำให้กลายเป็นรถที่ไม่เหมือนกันไปชนใดจิตใจทุกดวงก็เหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันแต่มาคิดไปในคนละทางเท่านั้นเองจิตใจที่คิดไปในทางบาปก็จะพูดบาปทำบาป แล้วจิตใจก็จะกลายเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้าง mm. จิตใจที่คิดไปในทางบุญไม่ทําบาป mm. ก็จะไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆจิตใจที่ไปในทางบุญคือไม่ทำบาปแล้วก็ไปฝึกจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบ ก็จะเป็นพรหมแล้วจิตใจที่ได้ฝึกฝนอบรมไปในให้คิดไปในทางธรรมให้คิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเก็จะทำให้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆทำให้ไปถึงขั้นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ที่ไม่ต้องมาเป็นสัตว์อะไรต่างๆอีกต่อไป ไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดในโลกของสังสารวัฏโลกของการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปขึ้นอยู่ที่ความคิดนี้นั่นเองอย่างนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่ดีขึ้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนความคิดของเราถ้าเรายังคิดอยู่กับการทำบาปอยู่ เราก็ต้องเลิกคิดในการทําบาปย่ายังเคยคิดอยากจะดื่มสุราอยู่ก็ต้องเลิกดื่มสุรายังคิดจะโกหกอยู่ก็ต้องเลิกโกหกยังคิดจะประพฤติผิดประเวณีอยู่ก็ต้องเลิกคิดประพฤติผิดประเวณีถ้ายังคิดจะลักทรัพย์อยู่ก็ต้องเลิกคิดในการลักทรัพย์ถ้ายังคิดในการที่จะกระทํา ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ก็ต้องเลิกคิดถ้าเลิกคิดแล้วมันก็จะไม่มีการกระทําตามมานั่นเองการกระทําต่างๆนี้ต้องเกิดจากการคิดก่อนเช่นวันนี้จะมาที่วัดมาทําบุญนี้ก็ต้องคิดไว้ล่วงหน้าก่อนคิดไว้หลายวันบางคนคิดไว้เป็นเดือนเป็นอาทิตย์ก็มีว่าวันนี้วันอาทิตย์ จะต้องไปวัดจะไปทาบุญไปฟังเทศฟังธรรมพอคิดเสร็จแล้วก็คอยดูวันพอถึงวันที่คิดไว้ก็ออกเดินทางมาวัดถ้ามีโอกาสก็อาจจะพูดชวนเพื่อนฝูงให้มาด้วยก็เป็นการดึงให้คนที่คิดมาในทางวัดคิดไม่เป็นจะได้คิดเป็น ถ้าไม่มีคนสอนให้คิดบางทีก็ไม่คิดกันแต่พอมีเพื่อนชวนบอกไปวัดไหมพรุ่รงนี้วันอาทิตย์ไปวัดกันไอมพอพูดชวนเขาเขาก็เลยไปคิดตามเราว่าเออพรุ่รงนี้วันอาทิตย์ไปวัดดีกว่าถ้าไม่ชวนเขาไม่บอกเขาก็อาจจะคิดว่าพรุ่งนี้นไปเที่ยวดีกว่าพรุ่งนี้ไปนู่นไปนี่ดีกว่า งนการพูดของเรานี้ก็จะช่วยคนอื่นให้คิดไปในทางที่ดีได้หรือคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ได้อยู่ที่เราคิดอย่างไรถ้าเราคิดไม่ดีเราพูดเราก็จะพูดในเรื่องเราก็จะชวนเขาไปในธรรมในเรื่องที่ไม่ดีเช่นถ้าเราจะไปเที่ยวกินเหล้าเราคิดแล้วถ้าเราพูดเราก็จะพูดออกเราก็จะชวนเขาให้ไป เที่ยวกินเหล้ากับเราเขาไม่เคยคิดจะไปกินเหล้าแต่พอมีเพื่อนมาชวนเขาเกรงใจเพื่อนเขาก็อาจจะต้องคิดไปกินเหล้ากับเพื่อนเขาก็เลยเสียคนไปกับเพื่อนได้ถ้าฉลาดถ้ารู้ว่าเขาชวนให้เราไปในทางที่ไม่ดีเราก็อย่าไปอย่าไปคิดตามเขาอย่าไปเสียดายเพื่อนให้เสียดายตัวเองดีกว่า เพื่อ น, นีนหาใหม่ได้เยอะแต่ตัวเรานี่เสียแล้วหาหาใหม่ได้ยากเปลี่ยนให้เป็นคนดีได้ยากเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เสียยังเป็นคนดีอยู่อย่าไปเสียทําตัวเองให้เสียเพราะรักเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ดีนี่อย่าไปมีเพื่อนดีกว่าไว้รอมีเพื่อนไว้รอค่อยคบคนที่ดีคนดีมีเยอะแยะไปในโลกนี้ไม่ใช่ จะมีเพื่อนคนนี้คนเดียวเท่านั้นถ้ารู้ว่าเพื่อนคนนี้จะดึงเราไปในทางที่ไม่ดีเราก็อยากให้เขาดึงไปเราอยากคิดตามที่เขาคิดถ้าเขาคิดให้เราไปเสพอบายามุขให้ไปเดิมสุราให้ไปเที่ยวกลางคืนให้ไปเล่นการพนันให้มีความเกียจคร้านแทนที่จะให้ขยันหมั่นเพียรทํางานทําการ หรือไปเรียนหนังสือกับชวนให้ขี้เกียจชวนให้ไม่ไปทางานชวนให้ไม่ไปเรียนหนังสือถ้าเป็นเพื่อนอย่างนี้ก็อยากคบดีกว่าเพราะเพื่อนอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคนพาลคำว่าพาล น, นี้แปลว่าคนไม่ฉลาดตรงข้ามกับคนฉลาดเรียกว่าบัณฑิตใน สูตรในมงค ล, ลสูตรพระองค์ทรงตัดไว้ว่าอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตเพราะการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตจะเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าไม่คบคนพาลก็จะไม่มีใครดึงเราไปในทางที่ไม่ดีไม่มีใครจะดึงเราไปเที่ยวกลางคืนไปดื่มสุราไปเล่นการพนัน ถ้าครบบัณฑิตบัณฑิตก็จะชวนให้เราไปทําบุญทําประโยชน์ทําสิ่งที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ถ้าเป็นนักเรียนก็จะชวนไปเรียนหนังสือกันไปเรียนพิเศษกันถ้าทํางานก็จะชวนกันไปทํางานไปลงทุนไปหารายได้ถ้าเป็นคนพานก็จะชวนให้หนีงานหนีเรียนให้ไปเที่ยวกันให้ไปเล่นกัน การไม่คบคนพานก็จะป้องกันการเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่ดีได้การครบบัณฑิต <c oughs> คบคนฉลาดก็จะกระตุ้นหรือจะดึงให้เราคิดไปในทางที่ดีดึงให้เราไปทำในสิ่งที่ดีที่มีคุณที่มีประโยชน์กับตัวเรานี่เรื่องทั้งหลายนีย่อยู่ที่ความคิดทั้งนั้นหละอยู่ที่ความคิดของเรา พวกเราทุกคนนีมีความแตกต่างกันก็ตรงที่ความคิดนี่คนไหนคิดฉลาดก็เก่งรวยคนไหนคิดไม่ฉลาดก็ง่อก็จนไม่เก่งอยู่ที่ความคิดความคิดเหล่านี้เราสามารถฝึกฝนอบรมได้ที่เราไปโรงเรียนกันก็ไปฝึกฝนอบรมให้เราคิดไปในทางที่ฉลาดนั่นเอง ก็ถ้าเราไม่ไปโรงเรียนเราก็จะคิดอะไรไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้วิชานั้นไม่รู้วิชานี้พอไปโรงเรียนโรงเรียนเขาก็สอนวิชาต่างๆเวลาที่เราเรียนหนังสือเราก็ต้องใช้ความคิดคิดตามหนังสือที่เราอ่านคิดตามเสียงของครูอาจารย์ที่สั่งสอนเร า, เ, าเมื่อคิดแล้วเราก็ต้องมาจดจาต่อ พอความคิดถ้าฟังแล้วไม่เอามาจดจำเดี๋ยวมันก็ลืมได้เขาจึงต้องมีการทดสอบความจําของนักเรียนอยู่เรื่อยๆเช่นสองวันนี้เขามีสอบโอเนกันเขาไม่เชื่อว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนนี้จะมีมาตรฐานการสอนเด็กเท่ากันเขาเลยต้องจัดการสอนแบบจัดการสอบมาตรฐานทั่วประเทศ ให้เด็กทุกโรงเรียนมาสอบคําข้อสอบของโอเนเขาจะได้วัดประเมินผลของเด็กแต่โรงเรียนได้ว่าจําได้มากน้อยเพียงไรรู้ได้มากน้อยเพียงไรถ้าปล่อยให้แต่โรงเรียนเป็นคนจัดการสอบจัดการวัดเองโรงเรียนก็มักจะให้คะแนนดีๆกับเด็กของตนนั้นเอง เพราะต้องการให้โรงเรียนของตนมีชื่อเสียงว่ามีเด็กเรียนเก่งแต่การทดสอบของโรงเรียนอาจจะเข้าข้างตัวเองเด็กเขียนผิดก็อาจจะให้ให้ถูกไปเด็กก็เลยได้คะแนนดีแต่ไม่ได้ความคิดที่ดีอยู่ในใจเพราะว่าข้อสอบมันบอกว่ามันจำไม่ได้ความคิดที่ดีต่างๆมันออกแต่ มันมีแต่ความคิดที่ไม่ดีความคิดที่ผิดเขาถึงต้องมีมาตรฐานมาตรฐานวัดประเมินผลของการเรียนของนักเรียนแต่โรงเรียนด้วยการให้ไปสอบข้อสอบมาตรฐานของประเทศแล้วเขาก็จะรู้ว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนนี้อยู่ในระดับไหนมีการเรียนการสอนที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร อันนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดถ้าเราอยากจะพัฒนาชีวิตจิตใจของเรานั้นให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นเราต้องเสริมความคิดที่ดีให้เกิดขึ้นภายในใจแล้วก็ละความคิดที่ไม่ดีที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปเพราะความคิดที่ดีก็จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ความคิดที่ไม่ดีก็จะฉุดดึงจิตใจให้ตกต่านั่นเองเพราะว่าความคิดที่ไม่ดีมันก็จะทำให้จิตใจไม่ดีตามไปความคิดที่ดีก็จะทำให้จิตใจดีขึ้นไปตามลำดับดีตรงไหนก็ดีตรงที่ความสุขความทุกข์นี่เองถ้าคิดดีใจก็จะมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับ ถ้าคิดไม่ดีใจก็จะมีความทุกข์มากขึ้นไปตามลำดับนะดังนั้นเราจึงต้องมาสอนใจให้คิดไปในทางที่ดีถ้าเราไม่รู้ว่าทางที่ดีนั้นคิดอย่างไรเราก็ต้องเข้าหาคนที่รู้คนที่รู้เรื่องจิตใจนี้ไม่มีใครจะรู้ดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้ที่ได้ทดสอบความคิดต่างๆที่มีอยู่ในใจจนรู้หมดว่าความคิดแบบไหนดีความคิดแบบไหนไม่ดีท่านก็เลยสามารถที่จะสอนที่จะบอกเราให้คิดไปในทางที่ดีได้ให้ละเว้นการคิดที่ไม่ดีได้เมื่อเรากำจัดความคิดที่ไม่ดี ความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราถ้าเรามีแต่ความคิดที่ดีเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในใจของเรานี่คือเรื่องของจิตใจของแต่ละดวงที่มีโอกาสที่จะพัฒนากันได้ถ้ามีคนสอนคนบอก ถ้าไม่มีคนสอนคนบอกนี้อาจจะยากต่อการพัฒนาของจิตใจเพราะจะไม่รู้ว่าอะไรดีจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นโทษต่อจิตใจกับจะเห็นผิดเป็นชอบไปเป็นส่วนใหญ่งเห็นสิ่งที่เป็นโทษกับว่าเป็นคุนเห็นสิ่งที่เป็นคุณว่าเป็นโทษ เช่นคนที่ชอบอบายามุขเนี่ยเขาจะเห็นว่าการเสพอบายามุขนี่เป็นคุณเป็นประโยชน์สําหรับเขาเขามีความสุขเวลาได้ดื่มสุรายาเมาเวลาได้เล่นการพนันเวลาได้เที่ยวเตะเวลามีความเกลียดค้านเนี่เขามีความสุขหนีเรียนหนีหนีการทํางาน ไปเที่ยวไปเล่นแต่เขามองเห็นเพียงด้านเดียวด้านของความสุขที่ได้จากการเสพอบายามุขซึ่งเป็นความสุขแบบชั่วคราวความสุขเดียวเดียวแต่จะมีผลคือความทุกข์ความเสียหายต่างๆตามมาต่อไปเพราะว่าการเสพอบายามุขมันไม่มีรายได้ มันมีแต่รายจ่ายถ้าเสบอบายามุกก็จะสิ้นเงินสิ้นทองหมดเงินหมดทองไปแล้วเดี๋ยวเงินทองที่มีอยู่ก็จะไม่มีจะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็เดือดร้อนใครดื่มสุราพอไม่มีเงินซื้อสุรามาดื่มก็จะเกิดอาการอึดอัดขึ้นมาอาการไม่สบายใจขึ้นมาหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมา ถ้าเคยไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวถ้าเคยเล่นการพนันแล้วไม่ได้เล่นการพนันจะเป็นคนรู้อารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียจะมีคนที่ไม่มีความสุขก็จะต้องหาวิธีที่จะทำให้ได้ดื่มสซดาได้เล่นการพนันได้ไปเที่ยวต่อวิธีที่จะทำก็คือต้องไปขโมยเงินของคนอื่นมาใช้นั่นเอง เพราะคนที่เสพพวกนี้จะไม่ไปทำงานทำการกันหรือทำงานทำการเงินทองก็ไม่พอใช้ก็จะต้องหาวิธีอื่นมาเพื่อที่จะได้มีเงินทองมาใช้กับการเสพต่างๆ<ม>ก็มักจะต้องไปทำบาปต้องคิดไปในทางที่ไม่ดีนี่ก็ เป็นผลที่เกิดจากการไม่มีใครสั่งใครสอนคนที่ไปเห็นว่าอบายมุกนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นการให้ความสุขกับตนเองเป็นคนที่คิดสั้นไม่คิดยาวคิดเพียงแต่ตอนที่ได้ทาเท่าทนั้นเวลาได้เสพมันก็มีความสุขแต่เวลามันมีอุปสรรคไม่สามารถที่จะเสพได้ เวลานั้นมันก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจแล้วก็ยังจะถูกหลอกให้ไปสร้างความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยการไปทำบาปด้วยการไปช่อโกงไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้เงินทองมาเสพอบายามุขต่อไปแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถูกจับไปลงโทษต้องไปติดคุกติดตาราง น, นี่ผลที่เกิดจากการคิดไม่เป็นคิดไม่ไม่ถูกคิดด้วยความหลงเห็นสิ่งที่เป็นโทษว่าเป็นคุณเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนั่นเองจึงต้องอาศัยคนที่เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นโทษมาสั่งมาสอนพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทุกพระองค์นี้ ท่านได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้มาก่อนพวกเราท่านรู้โทษของสิ่งเหล่านี้ท่านจึงสอน<ม>พวกเราว่าอย่าไปเสพอบายามุกกันอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปดื่มสุรายาเมาอย่าไปเที่ยวเต่อย่าไปคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรเพราะคบกับเขาแล้วเขาก็จะชวนเราไปเสพอบายามุก อย่ามีความเกลียดคา้านเพราะความเกลียดค้านี้ไม่ไม่ผลิตรายได้ให้กับเราไม่ผลิตผลประโยชน์ให้กับเราถ้าเราต้องการรายได้ต้องการผลประโยชน์เราต้องกําจัดความเกลียดค้านให้ได้ต้องมีความขยันหมั่นเพียรไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือหรือเป็นการทํางานทําการ เพราะนี่เป็นวิธีของการผลิตรายไ ด, ได้ผลิตผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นนั่นเองสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของความคิดถ้าเราคิดเองไม่เป็นด้วยคิดไม่ออกว่าทำอย่างไหนถูกทำอย่างไหนผิดเราก็ต้องเข้าหาคนที่รู้ว่าการกระทาอย่างไหนผิดการกระทาอย่างไหนถูกแล้วเราก็พยายามทำตามที่คนที่รู้ที่บอกมาสอนเหล่านี้ แล้วต่อไปเราก็จะพลิกชีวิตของเราจากชีวิตที่วุ่นวายจากชีวิตที่มีแต่ความทุกข์มีปัญหาต่างๆให้กลายเป็นชีวิตที่มีความนุ่มเย็นเป็นสุขนี่คือความคิดของเราแต่ละคนมันเป็นตัวสร้างเราขึ้นมาสร้างให้เราเป็นคนดีแล้วสร้างให้เราเป็นคนไม่ดี สร้างให้เราเป็นเดลฉ า, านหรือสร้างให้เราเป็นมนุษย์สร้างให้เราเป็นเปรตหรือสร้างให้เราเป็นเทวดาสร้างให้เราเป็นพรหมสร้างให้เราเป็นพระอริยบุคคลอยู่ที่ความคิดทั้งนั้นความคิดนี่แหละเป็นตัวปรุงแต่งจิตใจให้เป็นไปต่างๆนานาเหมือนกับกับข้าวที่เราปรุงแต่งกัน เวลาทำกับข้าวเราก็ปรุงแต่งกับข้าวจึงมีกับข้าวหลากหลายด้วยกันมีแกงเผ็ดมีแกงหวานมีแกงจืดมีของทอดของอของผัดของ อ, อะไรต่างๆก็อยู่ที่ความคิดปรุงแต่งคิดแล้วก็ทําไปจิตใจของเราที่เป็นอะไรแตกต่างๆกันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเรานั่นเอง ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราคิดปรุงแต่งให้เป็นจิตใจที่ดีที่มีแต่ความสุขเราก็จำเป็นต้องเข้าหาคนที่เขาคิดปรุงแต่งจิตใจของเขาให้เกิดเป็นความสุขขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครที่จะปรุงแต่งจิตใจของตนให้มีความสุขได้เท่ากับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย พระพุทธเจ้ากับพระอานันตสาวกทั้งหลายนี้ท่านปรุงแต่งจิตใจของท่านให้แก่เป็นพระนิพพานขึ้นมาให้เป็นนิพพานังปรมังสุขขังขึ้นมาให้เป็นให้เป็นจิตที่มีแต่บร ม, มสุขคาว่านิพพานก็คือจิตที่ได้รับการชักซักพอกกําจัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจ จนทำให้จิตใจนี้เป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาต่างๆผลิตขึ้นมาเหลือแต่จิตที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าพวกเราอยากจะได้ความสุขแบบนี้แบบของพระพุทธเจ้าแบบของพระอาหารหันตสาวก พวกเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าหรือหาตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสังอริยสงสาวกทั้งหลายเพราะว่าท่านจะจ ะ, จะบอกเราบอกวิธีที่จะปรุงแต่งจิตใจของพวกเราให้เป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถสอนเรื่องจิตใจได้ดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ถ้าไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะไม่ได้ความสุขอันสูงสุดจะไม่ได้รับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าเข้าหาผู้รู้ในทางอื่นเช่นเข้าหาครูอาจารย์ที่จบระดับปริญญาต่างๆ ปริญญาเตโทเอกก็ be, จะได้วิชาความรู้ที่จะมาให้เราได้ความสุขทางร่างกายได้วิชาความรู้ที่จะมากําจัดความทุกข์ทางร่างกายแต่จะไม่สามารถเอาวิชาความรู้เหล่านั้นมากําจัดความทุกข์ทางจิตใจได้จะไม่สามารถเอาพระวิชาความรู้เหล่านั้นมาผลิตความสุขให้เกิดขึ้นภายใ น, ในใจได้ ความสุขทางร่างกายกับความสุขทางใจนี้มีผลประโยชน์ต่างกันมากความสุขทางร่างกายนี้เป็นผลประโยชน์ชั่วคราวอยู่เท่าที่ร่างกายอยู่ได้ร่างกายก็อยู่ไม่นานไม่เกินร้อยปีผลประโยชน์ต่างๆที่ได้จากความรู้ในการมาสร้างประโยชน์สุขให้กับจิตใจ ก็จะหมดไปพอร่างกายตายไปแต่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างความสุขให้แก่จิตใจนี้จะไม่มีวันหมดเพราะว่าจิตใจนี้ไม่มีวันตายจิตใจของพวกเราทุกคนนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจของพวกเราอยู่ต่อไปอยู่แบบไหนก็อยู่ ที่วิธีการดูแลรักษาจิตใจของพวกเรานั่นเองถ้าเรารู้จักวิธีดูแลรักษาจิตใจให้มีแต่ความสุขจิตใจของเราก็จะอยู่ต่อไปมีแต่ความสุขแต่ถ้ารู้จักวิธีสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจก็จะอยู่แบบนั้นต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วใจที่มีความสุขก็จะสุขต่อไป ใจที่มีความทุกข์ก็จะทุกข์ต่อไปนี่แหละคือความแตกต่างของการสร้างประโยชน์สุขให้กับร่างกายกับสร้างประโยชน์สุขให้แก่จิตใจการสร้างประโยชน์สุขให้กับร่างกายนี้เป็นการพัฒนาชั่วคราวไม่ใช่เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนถ้าต้องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราต้องมาพัฒนาที่จิตใจกันเพราะจิตใจเป็นของไม่ตายเป็นของยั่งยืนถ้าเราพัฒนาจิตใจให้มีความสุขความสุขก็จะอยู่กับจิตใจแบบยั่งยืนถ้าเรามาพัฒนาทางร่างกายเช่นมาหาข้าวของเงินทองต่างๆมีสำสุปมีทรัพสมบัติมากมายกายกองมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้าน ตายไปปั๊บนี่ผลประโยชน์ต่างๆที่ได้สร้างขึ้นมาให้กับร่างกายก็หมดไปเอาติดตัวไปไม่ได้ใจเอาติดตัวไปไม่ได้ผลประโยชน์ทางร่างกายผลประโยชน์ทางร่างกายก็ต้องทิ้งให้คนอื่นเขาไว้ถ้าไม่ได้พัฒนาทางจิตใจเลยก็อาจจะไปแบบขอทานถ้าไม่ได้ทำบุญทาทานเลยเวลาตายไปก็จะไปแบบขอทาน เพราะว่าบุญนี่แหละเป็นทรัพย์ที่จะเอาติดตัวไปได้บุญนี่แหละที่จะทําให้เป็นเศรษฐีทางด้านจิตใจบุญนี่แหละที่ทําให้เป็นเทวดากันเทวดานี้เป็นพวกเศรษฐีพวกที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศระดับห้าดาวนี้เขาเรียวกว่าพวกเทวดาพวกที่ไปเป็นขอทานต่างประเทศเนี่ยเช่นเวลาเกิดสงครามกลางเมือง ต้องอบพยบกันออกนอกบ้านนอกเมืองแบบพวกเขเมรพวกลาวที่หนีเข้ามาเมืองไทยเพวกนั้นเขาไม่ได้เตรียมตัวเตรียมเงินเตรียมทองไหมพอถึงเวลาเกิดสงครามอยู่บ้านไม่ได้ก็ต้องหนีกันออกมาเอาอะไรติดตัวมาไม่ได้เลยเพราะไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก่อนมาอยู่ตามชายแดนมาอยู่ตามค่ายอบพยบต่างๆนี่เป็นเหมือนกับดวงจิต ที่ไม่ได้รับการพัฒนาด้วยบุญด้วยกุศลพอถึงเวลาตายไปก็จะไม่มีอะไรติดตัวไปจะไปอยู่แบบพวกที่อพยพไปอยู่ตามค่ายของผู้อพยพต่างๆต้องไปคอยรอรับบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่พวกนี้ที่เราเรียกว่าพวกที่เราอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ เพตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ได้เห็นความสําคัญของการทําบุญทําทานเขาเห็นความสําคัญในการาหาเงินแล้วก็ใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเช่นไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่เคยคิดที่อยากจะทําบุญเพราะมองไม่เห็นว่าใครเป็นคนเป็นผู้ไปรับผลบุญต่อไปพอเห็นเพียงแต่ร่างกาย ก็คิดว่าพอร่างกายตายไปก็จบบุญทาไว้เท่าไหร่ก็ไม่มีใครไปรับบาปทำไว้เท่าไหร่ก็ไม่มีใครไปรั บ, บ, รรรบถ้าจะมีผู้รับก็มีร่างกายนี้เท่านั้นก็จะรับเพียงชั่วตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าทำบาปทำผิดกฎหมายก็อาจจะถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตารางถ้าทำบุญทาคุณทาประโยชน์ ก็อาจจะได้รับรางวัลได้เหรียญต่างๆได้เครื่องราชบ้างได้แต่งตั้งให้เป็นคุณหญิงคุณนายบ้างอันนี้ก็เป็นผลที่ได้รับเวลาที่มีร่างกายอยู่จากการทำความดีแต่พอตายไปแล้วนี่ไม่ได้รับอะไรไม่รู้ใครไปรับทาบุญแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าศูนย์เปล่าๆสู้อย่าทำดีกว่า รู้เอาเงินนี้มาซื้อความสุขต่างๆในขณะที่มีชีวิตอยู่ดีกว่าไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันไปซื้อของอะไรต่างๆที่อยากจะซื้อกันอันนี้เพราะไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่านอกจากร่างกายแล้วเรามีจิตใจผู้เป็นคนใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆ ก็เลยไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องนรกไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเป็นอย่างนี้เวลาตายไปก็จะไปลำบากเพราะไม่ได้เตรียมตัวไม่เตรียมอะไรติดตัวไปเลยไม่เตรียมบุญเตรียมกุศลติดตัวไปเลยแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเชื่อคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า แล้วพยายามปฏิบัติตามเช่นให้ละการกระทำบาปทั้งปวงและอบายามุกทั้งหลายถ้าละได้ก็จะไม่มีโทษติดตัวไปไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์ไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าละการกระทำบาปทั้งปวงได้บาปก็มีอยู่สี่ข้อคือดฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปด ส่วนการดืม่มโซลานี้ท่านก็เรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนให้การทำบาปง่ายขึ้นการดืม่มโซราโดยโดยลำพังมันไม่เกิดมันยังไม่เป็นบาปเพราะมันยังไม่ได้ไปทำให้ใครเสียหายเดือดรอ้อนถ้าดื่มแล้วนอนไม่ไปไหนแต่ส่วนใหญ่ดื่มแล้วมันไม่นอนกันดื่มแล้ว ม, มันมักจะไปทำอะไรต่อแล้วก็มักจะทำบาปกัน เพราะว่าเวลาเมาแล้วมันเราไม่มีอะไรจนะมาคอยระ ง, งับความคิดที่ไม่ดีต่างๆคิดไม่ดีอะไรก็มักจะบ่อยมันออกมาทําตามมันคนที่คนเมานี้มักจะไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ด้วยเพราะกลัวเจ็บตัวกลัวจะต้องเกิดความเสียหายเพราะคนเมาเวลาคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทําไม่ดี ไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนหรือไม่ท่านก็เลยรวมเป็นบาปด้วยแต่ความจริงมันเป็นอบายามุขอบายามุขก็คือเป็นผู้ที่สนับสนุนให้จิตได้กระทําบาปอย่างง่ายได้เป็นผู้อำนวยความสะดวกพอเมาแล้วนี่ทําบาปได้ง่ายกว่าเวลาไม่เมาคนที่จะทําบาปจึงมกักจะต้องกินเหล้าก่อนกินเหล้าย้อมใจก่อนจะได้ไปทําบาปได้เช่นพวก ฆาตาาตกรทั้งหลายนีย่ก่อนจะไปทําอาชญากรรมนี้ต้องกินเหล้าซะหน่อยกินเหล้าให้ใจมันเข้มแข็งให้มันโหดร้ายถึงจะสามารถไปทําบาปทํากรรมได้ท่านก็เลยรวมเบญจสินห้าด้วยเป็นบาปข้อที่ห้าความจริงถ้ารวมอบายาถ้ารวมสุรามันก็ต้องรวมอย่างอื่นด้วยต้องรวมเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนด้วยคบคนชั่วเป็นมิตร ความเกียดค้านอันนี้มันก็เป็นอบายามุขเหมือนกันก็ควรที่จะละมันทั้งหมดอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วมันจะทำให้เราปลอดภัยจากการไปทำบาปต่างๆเมื่อเราไม่ทำบาปเวลาตายไปจิตของเราก็จะไม่กลายเป็นเดรัจฉานไม่กลายเป็นเปรตไม่กลายเป็นอสุรกายไม่กลายเป็นสัตว์หลก การกระทำบาปนี่แหละเป็นตัวที่ปรุงแต่งให้จิตกายไปเป็นสัตว์ในอบายสี่สถานด้วยกันเดรลฉานเปรตอาุธลกายและสัตว์นรกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมาเกิดในยุคไหนสมัยไหนจะมาสั่งสอนในยุคไหนสมัยไหนก็จะสั่งสอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเหมือนกันนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่สามข้อด้วยกัน เป็นความจริงทุกยุคทุกสมัยว่าการกระทำบาปนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจเป็นเหมือนยาพิษเป็นเหมือนยาพิษของร่างกายร่างกายนี้ถ้าเห็นยาพิษนี้จะไม่แตะเลยใช่ไหมถ้าก็มีป้ายเขียนว่าอันตรายมีกระโหลกศีรษะคาดด้วยกระดูกสองท่อนนี้เห็นนี่รู้เลยว่าอย่าแตะต้องเป็นอันขาดกินก็ไปแล้วตายแน่นอน ไม่มีใครกล้าแต่ยาพิษกันนอกจากคนบ้าคนที่เสียสติคนที่อยากจะฆ่าตัวตายนั้นถึงจะกินยาเหล่านี้แต่คนธรรมดาคนที่มีสติปัญญานี้จะรู้ว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายฉันใดอบายามุขและการกระทำบาปทั้งหลายนี้ก็เป็นอันตรายเป็นเหมือนยาพิษต่อจิตใจเพราะว่าจะทำให้จิตใจนี้กลายเป็น สัตว์ที่จะต้องไปเกิดในอบายนั่นเองถ้าไม่อยากจะไปเกิดในอบายไม่อยากจะไปนรกก็ขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดละการกระทำบาปทั้งปวงแล้วถ้าเราอยากจะไปสู่สุคติไปสู่ที่ชอบที่ชอบที่เรามักจะส่งคนตายกันขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดไปสู่สุคติเราส่งเขาไปไม่ได้หรอกเขาต้องตีตั๋ว ขึ้นเครื่องไปเองคอนที่จะไปสู่สุคติได้นี้ต้องทำบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมบุญทุกชนิดมีบุญชนิดไหนถึงเวลาทำไปเลยบุญกรถินบุญภ้าป่าบุญสังฆทานบุญบางสกุลบุญบางสังส่วนทำไปถ้าอยากจะไปสวรรค์ทำบุญทุกชนิดไปบุญกุศลทุกชนิดมีบุญที่ไหนมีการ ช่วยเหลือกันที่ไหนไปร่วมกันร่วมบอยจากทรัพย์บรยจากเงินทองให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนทำไปแล้วใจะจะมีตั๋วไปสวรรค์ต้องตีตั๋วกันจะไปสวรรค์เหมือนไปเที่ยวต่างประเทศนี่ต้องตีตั๋วเครื่องบินแล้วต้องไปทาวีซา่าขออนุญาตเข้าเมืองเข้าประเทศเขาถ้าไม่มีวีซา่า ไปถึงสนามบินเขาก็ให้กลับเพราะว่าไม่ได้ไปขออนุญาตเขาแม่อนุญาตให้เราเข้าไปเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่เขาต้องการให้เข้าไปเพราะเราไม่มีบุญติดตัวไปไม่มีเงินติดตัวไปไปเที่ยวต่างประเทศพอเขารู้ว่าเราจะไปขออบพยพอยู่นี่เขาก็ไม่อยากให้เราเข้าอยากจะให้เรากลับบ้านมากกว่าแต่ถ้าเขารู้ว่าเราเอาเงินเอาถังเอาเงินถังเงินถุงไปเที่ยวนี่เขาเปิดกว้างเลย ในเมืองไทยเราเวลาใครมาเที่ยวเมืองไทยนี้เรายินดีต้อนรับกันเปิดเต็มที่เลยบีซองบีซ่านี้ไม่ต้องขอเลยบางทีบางประเทศอนุ ญ, ญาตให้เข้าได้ทันทีเลยเพราะเขาเอาเงินมาให้เราจาันใดเราจะไปสวรรค์เราก็ต้องมีบุญไปสวรรค์เขาถึงจะเปิดรับเราถ้าเราไม่มีบุญติดตัวไปสวรรค์เขาปิดประตูก็บอกเสียใจด้วยไม่ยินดีต้อนรับเนีย อันนี้คือเรื่องของความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่จะทำให้ดวงจิตดวงวิญญาณนี้เวลาตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์ได้ไปเป็นเทวดาได้ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ที่มีความวิเศษมากกว่าโลกที่เราอยู่กันในปัจจุบันนี้ความสุขของโลกทิพย์นี้เหนือกว่าความสุขของโลกที่เราอยู่กันโลกของมนุษย์ เราไปกันได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้ามันพยายามทำบุญทำกุศลอยู่เรื่อยๆแล้วก็อย่าไปกระทำบาปพยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ได้เพราะถ้าไปทำบาปแล้วมันจะถูกบาปดึงไปอบายได้ถ้าไม่มีบาปก็จะไม่มีอะไรดึงไปอบายถ้ามีแต่บุญอย่างเดียวพอตายไปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ทันทีแล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ของเทพเนี่ย ก็มีสวรรค์ของพรหมสวรรค์ของพรหมนี่ก็เป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ของเทพการจะไปสวรรค์ของเทพได้ก็ต้องเพิ่มศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดแล้วก็ต้องไปฝึกจิตใจให้หยุดคิดให้ได้เพราะถ้าเราหยุดคิดได้เราก็จะทำใจให้สงบได้ถ้าใจสงบแล้วก็จะเกิดความสงบสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้เป็นสวรรค์ชั้นพรหมพรหมนี้เขาจะเสพสุขด้วยการทําจิตใจของเขาให้สงบส่วนพวกเทพนี้เขาเสพเขาเสพความสุขด้วยบุญกุศลที่เขาได้ทําไว้ทําให้เขาได้เสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์แต่พวกพรหมนี้เขาต้องการความสุขที่เหนือวความสุขของรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เขาต้องการความสงบ ตรงนี้ก็เป็นพวกที่ไปอยู่วัดถือศีลแปดกันนี่แหละพวกที่ไปถืออุโบสถศีลกันในวันพระนี่วันพระไปอยู่วัดนุ่งขาวห่มขาวละเว้นจากการาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่กินอาหารหนังเที่ยงวันไปแล้วไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวไม่ไปทำการเล่เล่นต่าง ร้องลําทําเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามทางร่างกายแล้วก็ไม่หลับไม่นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆนะให้นอนแบบบนนอนบนกับพื้นแข็งๆเพื่อที่จะได้ไม่นอนมากทําไมต้องทําอย่างนี้เพราะว่าจะได้เอาเวลาที่นอนนี้มาสร้างความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบนั่นเอง ถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวก็ไปกินข้าวเย็นได้ไปกินข้าวเย็นเสร็จจะนอนก็ไปนอนกับแฟนได้ถ้ายังไม่นอนไปเที่ยวก็ไปเที่ย ว, ไ, ยวได้ถ้าอยากจะดูหนังดูละครก็ดูได้ถ้าไปทำกิจกรรมเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาฝึกจิตนั่นเองไม่มีเวลาที่จะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่มีเวลาที่จะมาฟังเทศฟังธรรมเลย ต้องมีเวลาจะมีเวลาก็ต้องถือศีลแปดกันเพราะศีลแปดจะได้ห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้พอเราไม่ทำกิจกรรมต่างๆเราก็จะได้มีเวลามาฝึกจิตมาเจริญสติด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าเราฝึกจิตจเจริญสติได้ควบคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิจิตของเราก็จะนิ่งจะสงบ แล้วพอจิตสงบแล้วเราจะพบกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่เกิดมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่เราได้รับมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการได้เงินได้ทองมาไม่ว่ากี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็ตามหรือได้รับตำแหน่งมากน้อยเพียงไรก็ตามได้เป็นนายกชั้นนั้นชั้นนี้หรือเป็นประธานาธิบดีได้รางวัลต่างๆ ก็จะสู้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราได้ความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะไม่อยากได้ความสุขแบบอื่นเราก็จะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราเคยยึดเคยติดเคยพึ่งเป็นสิ่งให้ความสุขกับเราได้เพราะว่าถ้าเรายังไม่ปล่อย ต่อไปเราจะถูกบังคับให้ปล่อยเช่นเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเราต้องถูกบังคับให้ปล่อยตอนนั้นเราจะทุกข์มากถ้าเราต้องถูกบังคับให้ปล่อยเพราะเราไม่มีความสุขอย่างอื่นมารองรับนั่นเองเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้จะไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญไม่ได้ แต่ถ้าเรามาฝึกจิตมาทำจิตให้สงบนะเราจะมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งมารองรับเวลาที่ต่อไปเราจะถูกบังคับให้เลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถมีความสุขอันใหม่ที่เราได้จากการทำจิตใจให้สงบนี้มารองรับมาเป็นที่พึ่งของเราต่อไปได้ น, นี่ จะทําให้เราแก่อย่างสงบเจ็บอย่างสงบตายอย่างสงบแก่อย่างสุขเจ็บอย่างสุขตายอย่างสุขไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าเราสามารถทําใจของเราให้สงบได้แล้วถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดเด็กต่อไปเพราะเราเบื่อเพราะเกิดมาทีไรต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยรืยเราก็ต้องเข้า หาทำระดับวิปัสสนาหรือปัญญาต้องเรียนรู้วิธีจะทำให้เราหยุดการมาเกิดพระพุทธเจ้าบอกการมาเกิดของเราเกิดจากความอยากของเรานี่เองอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราไม่รู้ว่าความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราว เพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันจากกันนั่นเองไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายเวลาจากกันก็จะเป็นเวลาที่เศรา้าโศกเสียใจกันมีแต่ความทุกข์พระตจ้าถึงสอนว่าถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาเจอการพัดพากจากกันอยู่เรื่อยๆก็ต้องคอยสอนใจว่าอย่าไปอยากได้อะไร อย่าไปอยากได้ลาบยศสะลระเสริญอย่าไปอยากได้รูปเสียงกลิน่นรสอย่าไปอยากได้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวมันไม่เที่ยงคาว่าชั่วคราวก็คือไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วถ้าเรามีปัญญารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ในโลกนี้มันจะทาให้เราทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเราก็จะได้ไม่ไปพึ่งมันไม่ไปอยากได้มันเราก็จะได้มาพึ่งความสงบเพียงอย่างเดียวมาอาศัยความสงบทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ตัดความอยากไปไม่ทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็หมดพอไม่มีความอยากอยู่ในใจมันก็จะไม่มีอะไรจะมาดึงใจให้กลับมาเกิดใหม่ ที่เรายังกลับมาเกิดกันใหม lier, ่เพราะเรายังอยากกันอยู่ยังอยากได้ลาบยศสรรเสริญยังอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลึนกายกันอยู่เราจรึงต้องมามีร่างกายกันเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลึนกายได้เราจรึงต้องกลับมาเกิดกันพอกลับมาเกิดก็ต้องมาเจอความทุกข์แบบที่เราเจอกันอยู่ใขนขณะนี้สามวันดีสี่วันไข้สามวัน สามวันสุขสี่วันทุกสลับกันไปสลับกันมาเวลาสุขก็ดีอกดีใจกงินพอเวลาทุกก็ร้องห่มร้องไห้กันกินไม่ได้นอนไม่หลับกันมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เรากลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะเจอแบบนี้ไม่อยากจะเจอความสุขแบบสามวันดีสี่วันไข้ก็ต้องหยุดความอยากต่างๆให้ได้จะหยุดได้ก็ต้องมีความสงบก่อน ถ้าเรามีความสงบเราจะมีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรามันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดเป็นของเราชั่วคราวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นของเราชั่วคราวต้งนั้นน่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือแม้แต่ร่างกายของเรามันก็ไม่ได้เป็นของเราไปตลอด สักวันหนึ่งเราต้องทิ้งมันหมดนะไปดูคนตายเลยเขาเอาอะไรไปได้ไหมร่างกายของเขายัางเอาไปไม่ได้เลยปล่อยให้คนอื่นต้องมาเก็บไปไปเผาไปเผาไปฝังกันไม่มีอะไรเราเอาไปได้ไม่มีอะไรเป็นของเราต้องมองให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันถึงจะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้ามันหยุดความอยากได้แล้วมันจะไม่มีความ หิวโหยมันจะมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอพอความอยากนี้เป็นตัวสร้างความหิวพอเรากำจัดความอยากหมดไปความหิวมันก็หายไปพอความหิวหายไปความอิ่มมันก็เข้ามาแทนที่เท่านั้นแหละพอมันมีความอิ่มมีความสุขมีความสงบแล้วมันก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้ ท่านได้กำจัดความอยากต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจของท่านหมดไปแล้วเหมือนใจของพวกเราก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่พระสาวกจะเป็นพระสาวกใจของพวกท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเป็นใจที่ยังมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่แต่พอท่านได้มาพัฒนามาศึกษาท่านก็มาเห็นโทษของความอยากเหล่านี้ ว่าเป็นตัวที่ทําให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากจะกลับมาทุกอย่างที่เราทุกข์กันอยู่ในขณะนี้เราก็ต้องฝืนความอยากกันอย่าไปทําตามความอยากกันด้วยการถือศีลแปดก่อนก็อยากไปเที่ยวพอถือศีลแปดก็ไปไม่ได้แต่อยากไปนอนกับแฟนถือศีลแปดก็นอนไม่ได้อยากจะกินอาหารเย็นก็กินไม่ได้ อยากจะดูหนังฟังเพลงก็ทําไม่ได้อันนี้เป็นการตัดแบบชั่วคราวด้วยการถือศีลแต่ยังไม่ตายยังไม่ได้ตายแบบถาวรวันไหนถือศีลก็หยุดมันได้เพราะวันไหนไม่ถือศีลก็หยุดมันไม่ได้ถ้าอยากจะหยุดมันตลอดให้มันไม่มีความอยากเลยต้องไปถอนรากของความอยากรากของความอยากก็คือความหลงนี่ความหลงที่ไม่รู้ว่าความอยากนี้พาเราไปสู่ความทุกข์ เพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันต้องมันไม่เที่ยงมันจะต้องทำให้เราทุกข์ได้มาแล้วดีใจสามวันสี่วันพอเขาจากเราไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจให้มองให้เห็นว่าต้องมีการพัดพากจากกาันเสมอไม่ช้าก็เร็วไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้วันใดวันหนึ่งจะต้องมีการสิ้นสุดลงอย่างที่เขามีคาพูดว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงเอ ความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้จะต้องมีวันสิ้นสุดลงพอมันสิ้นสุดแล้วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเหตุด้วยปัญญาก็จะไม่อยากได้อะไรจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เมื่อตัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะไม่อยากได้อะไรแล้วจะกลับมาหาอะไรอีกที่กลับมาหากันก็เพราะยังอยากได้สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ แต่พอเราเห็นแล้วเบื่อ ม, มันนะ้เห็นว่ามันมีแต่ความทุกข์ถ้าเห็นว่ามันเป็นยาพิษเราจะอยากจะกลับมาหายาพิษอีกหรือเปล่า <S <S ถ้ารู้ว่ากินเครื่องดื่มชนี้นี้เราทําให้เราถ่ายท้องนี่เราจะกลับไปดื่ ม, มนอนไรก็ว่าไม่ดื่มแล้วยี่ห้อนี้เลิกกันจําไปจนวันตายถ้ารู้ว่ามันเป็นยาพิษถ้ารู้ว่ามันทําให้เราไม่สบายอันใดสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ใจเราไม่สบายกัน เป็ยาพิษของใจคือลาบยศสรรเสริญคือความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ด้วยความสุขจากร่างกายของเรานี้มันเป็นเหมือนยาพิษที่เรามองไม่เห็นเราต้องใช้ปัญญาศึกษาวิเคราะห์ดูถึงจะเห็นพอเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆอีกต่อไป พอมันไม่อยากได้แล้วมันก็ไม่ต้องกลับมาหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่อไปการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็จะยุติลงจิตใจของพระเจ้าจิตใจของพระอาหารหันต์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจิตใจของท่านไม่มีความอยากที่จะฉุดให้ท่านกลับมาเกิดเหมือนพวกเราพวกเรานี้ตายไปเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหมอ่อีกเพราะเรายังมีความอยากอยู่แล้วก็กลับมาทุกข์แบบที่เราทุกข์กันอยู่ขณะนี้ เพราะว่าสิ่งต่างๆมันก็เหมือนสิ่งต่างๆในโลกหน้ามันก็เหมือนสิ่งต่างๆในโลกนี้แหละมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มาแล้วก็ต้องเสียไปได้มาก็ดีใจเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้อยากได้แล้วไม่ได้ก็เสียใจมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังไม่กำจัดความอยากให้หมดไปดังนั้นเรามากำจัดความอยากกันดีกว่า้วยการ ต้นด้วยการรักษาศีลอย่าทําบาปรักษาศีลห้าให้ดีเมื่อรักษาศีลห้าแล้วก็หมั่นทําบุญทําบุญต่างๆมีบุญที่ไหนบุญผ้าป่ามูญกรถินบุญวันเกิดวนบุญวันตายบุญอะไรก็คือเขามีไปทําไปเถิดถ้าอยากจะทําบุญทําไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็มาหัดถือศีลแปดกันวันพระเริ่มต้นที่วันพระสักหนึ่งวัน ถือศีลแปดไปอยู่วัดนุ่งขาวห่มขาวไปหัดนั่งสมาธิเดินจงกรมฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาความรู้ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายรักถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็อย่าอย่าไปทำตามความอยากเดี๋ยวต่อไปก็พัฒนาจิตใจให้เป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าได้เหมือนของพระสาวกได้ อย่างที่ได้แสดงไว้ในตอนเริ่มต้น ว, ว่าจิตใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันหมดจิตใจของพวกเราของพระเจ้าเหมือนกันต่างกันตรงที่ความคิดความอยากนั่นเองจิตใจของพระเจ้านั้นนี้ไม่มีความอยากแล้วไม่คิดทําบาปแล้วเอท่านก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปถ้าพวกเราทําตามที่พระเจ้าสอนได้ต่อไปจิตใจเราก็จะเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าเเช่นภาษาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามาก่อน พอท่านได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็เชื่อแล้วก็น้อมนำออกไปปฏิบัติด้วยการละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและมาชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชาระด้วยการกาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนั่นเองพอท่านทำสาเร็จใจของท่านก็เป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานังปรมังสุขขังเหมือนกัน ใจของวเราทุกคนนี้สามารถเป็นนิบบานังปรมังสุขขังได้ทุกคนถ้าเราทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยคือไม่ทําบาปทําแต่บุนชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คาสอนนี้เหมือนกับเครื่องซักผ้ายถ้าใครเอาเครื่องซักผ้าใส่เขาเอาเสื้อผ้าใส่ไปในเครื่องซักผ้าแล้วพอมันซักเสร็จเสื้อผ้าก็จะสะอาดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใครก็ตา่าง จิตใจของใครก็ตามถ้ามาซักพอกด้วยทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็าจะสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันทุกจิตใจทุกดวงจะเป็นเปรตมาก่อนจะเป็นเป็ น, ป น, ปนสัตว์นรกมาก่อนจะเป็นมหาโจรอย่างองค์กุลิมานมาก่อนพอมาเข้าเครื่องสักพ่อของพระพุทธเจ้าคือทําตามคําสั่งคําสอนก็กลายเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป อยู่กับความสุขไปตลอดเพียงอย่างเดียวอย่างนั้นขอให้พวกเราจงให้ความสาคัญต่อการมาเปลี่ยนความคิดต่างๆของเราถ้าเรายังคิดไปในทางที่ไม่ดีอยู่พยายามหยุดมันอยากปล่อยให้มันคิดให้มันคิดไปในทางที่ดีให้มันคิดไปในทางที่สงบให้มันคิดไปในทางปล่อยวางแล้วชีวิตจิตใจของเราจะมีแต่ความสุขขึ้นไปตามลาดับจนถึงความสุขที่สูงสุด ที่มีเต็มเปรียบอยู่ภายในหัวใจไปตลอดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกาปติอิทิตังปัทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจาตุ สัพเพปเรนตุสังกาปาจันโทปนาระโสยธามนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจานตุสัพพารโควินาสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภะ พิวาทนสีฤิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังพาลางังต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเป็นข้อความเข้ามาก็ได้แล้วจะมีผู้อ่านคำถามให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ยอดเฟซบุ๊กสามร้อยหกสิบเจ็ดนค่ะยูทูบหนึ่งร้อยหกสิบห้าวิทยุออนไลน์ย3สิบสามผู้รับฟังบนข่าวเก้าสิบสองรวมเป็นหกร้อยส่สิบเจ็ดนค่ะ ถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยมีคำถามจากจินคอร์เปอเรชันอินโฟนะคะกราบนามัศการครับขอกราบเรียนถามจิตที่นิพพานแล้วยังมีสังขารความปรุงแต่งและขันทั้งสี่อยู่เช่นเดิมไหมครับกราบขอบพระคุณครับมีขันยังมีอยู่เหมือนเดิมแม้แต่รูปประขันก็ยังมีอยู่ ตอนที่พระพุทธเจ้าตัดรูุ้นั้นยังมีขันห้าอยู่บริบูรณ์ตอนที่ตัดทะลุใต้โต้นโพตอนนั้นกิเลสบทไปจากพระทัยของพระพุทธเจ้าพระทัยของพระพุทธเจ้าสะอาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานขึ้นมาแต่ตอนนั้นรูปประขันก็ยังมีอยู่นามขันก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยใช้รูปประขันกับ น, นามขันนี้เป็นเครื่องมือแสดงธรรม อยู่มาอีกสี่สบหปีด้วยกันใช้ขันห้านี้เป็นเครื่องมือแสดงธรรมแสดงวันละสามสี่รอบด้วยกันตอนบ่ายสอนญาติโยมตอนค่ำสอนภิกษุสมมามเณรตอนดึกสอนเทวดาตอนสว่างก่อนจะออกบิณฑบาตก็เล็งยานดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้น <Yeah. S 1> แล้วพอตอนที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนมายุ ตอนนั้นรู ป, ปรขันก็หมดไปแต่นามขันนี้คือรูปเธอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่หมดเพราะอยู่กับใจเป็นส่วนหนึ่งของใจตราบใดมีใจตราบนั้นยังต้องมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทำงานเหมือนของคนที่มีชีวิตอยู่ของคนที่มีกิเลส คนมีกิเลสร่างกายตายไปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ยังทำงานเนี่ยเป็นเทวดาเนี่ยเทวดาก็ยังใช้เว์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปรุงแต่งให้เกิดได้รับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆผ่านเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แต่พระสัพพะหลานพระพุทธเจ้านี่ท่านหยุดมีอยู่แต่ไม่ใช้เหมือนมีโทรศัพท์มือถือแต่ปิดเครื่อง ไม่เปิดเครื่องไม่ดูไม่รับสายแต่ถ้ายังมีเกเรตยังอยากรู้เรื่องนั้นคนนี้ก็อดไม่ได้มีเครื่องก็ยังอดที่จะเปิดมาดูไม่ได้ยังอดที่จะโทรหาคนนั้นคนนี้ไม่ได้อยู่เพราะยังมีความอยากอยู่แต่สำหรับพระพุทธเจ้าพระอหนันต์นี้ไม่มีความอยากจะติดต่อใครเพราะเห็นว่าเป็นไตลักไปหมดเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตาไปหมดปิดเครื่องดีกว่า ปิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวสักแต่ว่ารู้ไปนี่คือจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้คำถามต่อไปจากคุณเปานะคะกำหนดสติไว้ที่กายรู้สึกสงบเร็วและเป็นสุขมากแต่พอสติไว้ที่ความคิด กลับไม่ค่อยสงบอย่างไหนถูกต้องคะ อ, ะอย่างที่สงบสิเรานั่งเพื่อให้มันสงบเราการที่จะมีสติไว้ที่ความคิดนี้ต้องผ่านการมีสติให้ในการทำใจให้สงบให้ได้ก่อนเมื่อเราสามารถทำใจให้สงบได้ทุกเวลาต่อไปเราค่อยมาเอาสติดูที่ความคิดดูว่ามันคิดไปในทางไหน ถ้าคิดไปในทางบาปคิดไปในทางกิเลสก็หยุดมันถ้าคิดไปในทางบุญก็ปล่อยมันคิดไปคิดไปในทางธรรมก็ปล่อยมันคิดไปคิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดอริยสัจสี่คิดอสุภอะไรพวกนี้ให้มันคิดไปเพราะมันเป็นธรรมมันจะทำให้ใจสงบใจสะอาดเป็นเครื่องซักฟอกใจทำบะเป็นเครื่องซักฟอกใจแต่ความคิดไปในทางโลกทางกิเลส ทางบาปนี้มันเป็นความคิดที่จะมาทำลายจิตใจจะสร้างความทุกข์สร้างความกวนกระวายกัศบกรัสายกินไม่ได้นอนไม่หลับให้แก่จิตใจต้องหยุดมันคาถามต่อไปของคุณเปานะคะเอาของไหว้เจ้าแล้วมาประกอบอาหารถวายพระได้หรือไม่คะได้มันก็เป็นของเดิมเดและ กล้วยมันก็ยังเป็นกล้วยอยู่มันไม่มีเขียนว่าเป็นของเจ้าหรอกเวลาก่อนจะไหว้เจ้าก็ลองไปชั่งน้ำหนักดูนะมันกี่กิโลเวลาไหว้เสร็จแล้วมาชั่งน้ำหนักดูว่ามันหายไปหรือเปล่ามันก็ยังเอามาได้ไม่มีปัญหาอะไรของเพียงแต่ว่าอย่าให้มันเป็นของเน่าของบูดก็แล้วกันเวลาจะถวายของให้พระอย่าให้พระต้องมาท้องเสียจากการเอาของเก่ามาทำ ของมันเน่ามันบูดแล้วก็ทิ้งมันไปอย่าเสียดายเอาของที่มันไม่เน่าไม่บูดของที่ยังกินได้เอามาถวายพระได้ไม่มีปัญหาอะไรเป็นเพียงแต่ความเชื่อว่าถ้าว่าเจ้าแล้วต้องเอาเอามาถวายพระไม่ได้มันเป็นความคิดของพวกที่อยากกินของนั้นมากกว่าว้แล้วก็เจ้าดูวันเดี๋ยวกกจะได้กินไก่แล้วเดี๋ยวจะได้กินเป็ดแล้วไหวแบบนั้นมันไม่ได้บุญ ไหวแบนั้นมันได้เป็ดได้ไก่แต่ได้กินเป็ดกินไก่แต่ไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญก็เอาไปใส่บาตรนะของพวกนั้นเอามาทําให้มันสุขหรือทำให้มันไม่เสียทําให้มันกินได้ก็จะได้บุญคันถามจากคุณอัญเชลีมีคุณโยมที่ทําบุญที่สาลาฉันฝากมาถามค่ะว่าเวลาใส่บาตรหรือถวายของ หรือถวายปัจจัยกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อพูดว่าสาธุแล้วยมควรจะพูดกลับหลวงพ่ออย่างไรได้บ้างเจ้าคะ่ะก็สาธุต่อเนี่ยหลวงพ่อสาธุแล้วก็สาธุตามหลวงพ่อไปสาธุแปลว่าดีแล้วเอการทําบุญนี้หลวงพ่อบอกว่าดีแล้ ว, ลวเมือ่อเมื่อเมื่อหลวงพ่อบอกดีแล้วลวกเราก็ต้องดีก็ดีแล้วตามเออก็ดีจ้อ หรือไม่พูดก็ได้เฉยๆก็ได้ท่านสาธุแล้วเรากเา็เราก็น้อมนับไปน้อมเอาไปทำต่ อ, อไม่ต้องพูดแต่ว่าทาบุญนี่ดีแล้ว เ, เราก็พยายามเอาไปทำต่อเพราะบุญมันเป็นความสุขของใจนั่นเองยิ่งทำมากก็ยิ่งสุขมากคำถามจากคุณวันรืดีมีอิสระใส่บาตรพระแล้วอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ต้องเอ่ยชื่อใหม่คะ ต้องเอ่ยอย่างเี้ไม่รู้ว่าเป็นของใครไงเหมือนเขียนเช็คแล้วส่งของขวัญไปเนี่ยไม่เขียนชื่อคนรับก็ไม่รู้จะรับได้หรือเปล่าต้องขืนชื่อผู้รับถึงจะรับได้หมดแล้วเลยไม่ต้องใช้น้าก็ได้การกวดการอุทิศบุญนี่ความจริงไม่ได้อุทิศน้ำแยงแต่ว่าบุญมันเป็นนมามธรรมมันไม่เป็นรูปธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า คนเราไม่รู้ว่าบุญเป็นอย่างไงอุทิศอย่างไรก็เลยเขาเลยต้องเอาน้ํามาเป็นตัวอย่างว่าให้คิดว่าน้ํานี่เป็นเหมือนบุญเวลาเราอุทิศบุญเราก็นึกถึงคนที่เราอยากจะให้รับบุญแล้วเราก็เทน้ําใส่ภาชนะลงไปก็เหมือนกับว่าส่งน้ําจากใจเราไปอีกใจหนึ่งไอภาชนะที่ใส่น้ําที่ที่เรามีน้ําอยู่นี่เป็นบุญที่อยู่ในใจเรา พอเราเทน้ําออกจากภาชนะนั้นไปอีกภาชนะหนึ่งก็เหมือนเราส่งบุญให้กับอีกใจอีกดวงหนึ่งที่รอรับอยู่ถ้าเราไม่มีน้ําเป็นตัวอย่างเราก็เลยจะไม่เข้าใจกันเพราะบนมันเป็นเหมือนสัญญาณวิทยุโทรศัพท์นี่แหละเราเห็นสัญญาณหรือเปล่าแต่เรารู้ว่ามันต้องมีใช่ไหมไม่งั้นเราจะติดต่อกันไม่ได้เราอยู่ตรงนี้จะติดต่อกับคนอยู่อีกที่หนึ่ง ต้องติดต่อด้วยวิทยุต้องมีสัญญาณวิทยุถ้าในมือถือมันบอกไม่มีสัญญาณก็แสดงว่าติดต่อกันไม่ได้พอมันในมือถือมันมีบอกมีสัญญาณปั๊บมันก็ติดต่อกันได้โทรคุยกันได้แต่สัญญาณวิทยุมันก็เป็นของที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเหมือนกับบุญนี่เหมือนกันเป็นของที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้ตัวอย่าง บางทีในทโทรศัพท์นี้ก็อาจจะเขียนเป็นการ์ตูนโทรศัพท์สองเครื่องแล้วเขก็มีสายเป็นสัญญาณต่อเชื่อมกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแสดงถึงภาพของสัญญาณของวิทยุที่ติดต่อโทรศัพท์กันใจของผู้ตายกับใจของผู้อยู่ก็เหมือนกันติดต่อกันได้ด้วยการใช้บุญเชื่อมกันส่งบุญให้ต่อกันและกันได้ คำถามจากคุณน้อยนะคะกรบนามัสการถามหลวงพ่อคะ่ะเวลาเราคิดถึงใครแล้วแผ่จิตเมตตาถึงเขาแล้วจะถึงจิตเขาไหมเจ้าคะถ้าเขาเป็นเทวดาก็อาจจะถึงถ้าเขาไม่มีร่างกายแต่ถ้าต้องการจะแผ่ให้เขาถึงแน่ๆถ้าเขามีร่างกายก็ไปบอกเขาต่อหน้าเลยว่าพี่ ขอให้พี่มีความสุขมากมากนะอันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้วงั้นการจะแผ่ให้กับมนุษย์นี่ควรจะแผ่ตอนที่เจอกันจะแน่นอนกว่าถ้าแผ่ตอนที่ไม่เจอกันพรุ่งนี้ถามว่าพี่ได้รับหรือเปล่าลองถามก็ดูเลยนะคิดว่าร้อยทั้งร้อยคงไม่ได้รับหรอกงั้นแต่อยากจะแผ่เมตตาให้กับคนนี้ต้องแผ่ตอนที่เจอกันจะได้รับอย่างแน่นอน เจอใครอยากให้เขามีความสุขก็ซื้อขนมให้เขากินมีของฝากอะไรมาก็ให้เขาไปวันเกิดก็อวยพรวันเกิดอะไรทํานองนี้นี่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ที่บ้านพอเจอกันก็แยกเคี้ยวใส่กันอย่างนี้ไม่ได้แผ่าการที่เราสวดบทแผ่เมตตานี้ยังไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการเตือนใจเตือนให้เราอย่าลืมแผ่เมตตาเวลาที่เราพบปะกันเวลาเราเจอกัน ให้ให้ให้เราเอาัยให้ต่อกันละกันอเวลาโหนตุคือการไม่จองเวรเวลาพบกันแล้วเกิดมีการผิดพลาดพูดไม่ถูกหรือทำอะไรไม่ถูกทำให้คนอื่นเขาโมโหหรือเสียใจคนที่โมโหนั้นต้องแผ่เมตตาคือให้อภัยอย่าจองเวรแล้วความโมโหก็จะหายไปใจก็จะกลับมาสงบเป็นปกติได้ถ้าไม่ให้อเวลา ไม่ให้อภัยเดี๋ยวจองเวรกันเขาด่ามาเราก็ด่ากลับไปเดี๋ยวก็ตีกันทะเลาะกันกลายเป็นศัตรูกันดะงนั้นการสดวดบทเหล่านี้เป็นการเตือนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลามีเหตุการณ์ที่จะต้องแผ่เวลาต้องต้องให้อภัยก็ต้องให้อภัยอย่าจองเวรกันเวลาไม่เบียดเบียนกันก็อย่าเบียดเบียนกัน เวลาทำงานก็อย่าแย่งกันอย่ากระทั่ทำร้ายกันเนี่ยเรียกว่าเบียดเบียนกันเวลาที่พูดหรือทำอะไรก็อย่าไปให้คนอื่นเขาเจ็บกายหรือเจ็บใจจากการกระทำของเราถ้าอยากให้เขามีความสุขก็หาอะไรมาให้เขาสิ่งไหนที่เขาชอบเนี่ยให้สิ่งนั้นแล้วเขาก็จะมีความสุขอันนี้เรียกว่าสุ ข, ขีอตางปาลิหารันตุเนี่ยที่สวนการ น, นี้เพื่อให้เรา เตรียมตัวแผ่แต่ยังไม่ได้แผ่ส่วนใหญ่แล้วมักจะคิดว่าเราแผ่กันแนละ้วบทเวลาเราสวดนี่โอ้เราแผ่ไปรอบครอบจั ก, กรวาลเลยแผ่ให้สามโลกกระธาตุเลยยังไม่ได้แผ่เพราะไม่มีคนมารับนั่นเองไม่มีใครมารับต้องรอเวลามีคนรับก่อนแล้วถึงจะแผ่ได้มีคําถามจากคุณเคป๊โชตช่วงนะคะ ถ้าเราไม่มีโอกาสไหว้เทพรพระเจ้าบรรพบุรุษในช่วงตรุษ จ, จีนอยู่ระหว่างเดินทางเราจะสวดมนต์และแผ่เมตตากลับมาทําสังฆทานและไหว้ที่ศาลเจ้าที่ใกล้ที่พักได้ใหม่คะไหว้ที่ไหนก็ได้แหละอยู่ตรงไหนก็กราบตรงนั้นเลยไหว้ตรงนั้นเลยไม่ต้องไปไหว้ที่หน้าศพหน้าหน้าหลุมศพหรือที่หน้าภาพหรอก เพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราการไหว้นี้เป็นการให้เราระลึกถึงบุญคุณของท่านที่ร่วงลับไปแล้วแล้วก็ทําสิ่งที่เราทํามืไรให้กับท่านได้ก็ทําไปคนตายสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําบุญอุทิศไปอย่าไปไหว้แบบที่เขาไหว้กันเอาเข้าวของไปตั้งไว้ที่หน้าหลุมศพหรือหน้ารูปแล้วทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปกิน อย่างนี้คนตายไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวอยากจะให้คนตายได้เอาของที่เราซื้อมานี้ไปถวายทานทำบุญใส่บาหรไม่ว่าเอาไปแจกคนยากคนจนก็ได้เปิดโรงทานอันนี้ก็จะเป็นบุญแล้วพอเราทำเสร็จแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้อันนี้แหละเป็นวิธีที่ไหว้เจ้าที่ถูกต้องไหว้บิดามารดา ไหว้ผู้ที่ล่วงรับที่ถูกต้องไหว้ด้วยการทําบุญอุทิศนะถ้าไหว้ด้วยการไปเอาของไปตั้งไวฉะฉะ้เฉยๆนี้ไม่ได้ทําอะไรไม่เชื่อลองไปชั่งน้ําหนักดูเลยก่อนที่เราจะไปไหว้กับหลังจากที่เราไหว้แล้วดูว่าเขากินไปเท่าไหร่ถ้าน้ําหนักมันลดลงก็สแสดงว่าเขาได้กินใช่ไหมแต่ถ้าน้ําหนักเท่าเดิมก็สแสดงว่าเขาไม่ได้กินเลยอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีไหว้ที่ถูกต้อง ถ้าไหว้แบบถูกต้องต้องไหว้แบบพระพุทธเจ้าสอนทำบุญดูที่ให้กับบิดามารดาผู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหลายหลังจากที่ท่านล่วงลับไปแล้วคำถามจากคุณสวัยพยับทองเราทำบุญทำทานตลอดเมื่อเราใช้นามสกุลใหม่ของสามีผลบุญจะส่งต่อกนันใหม่เจ้าคะ ต่อเป็นคนเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองอคำถามจากคุณบิทยาฟองฟูกราบเรียนถามพระอาจารย์เวลาจะอุทิศบุญถ้าบอกว่าขออุทิศให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกภพทุกชาติแต่เราเป็นห่วงคุณอาที่เสียไปแล้วเป็นพิเศษเราต้องเอ่ยชื่อคุณอาจำเพาะเจ้าจงอีกไหมคะ ก็เราห่วงคนไหนเราก็ให้คนนั้นไปก่อนก็แล้วกันอย่าไปให้ทุกคนเพราะให้ทุกคนมันแบ่งกันได้คนละนิดคนละคำสองคาข้าวจานหนึ่งให้สิบคนนี่มันก็ต้องแบ่งกันคนละคำสองคำบางทีเวลาเราทําบุญบางทีเราจํำพาะเจาะจงเพราะว่าคนอื่นนี่เราก็ไม่ได้ไปห่วงไปยายเป็นยายกับเขาก็ปล่อยเขาเขาอยู่ก็ามาได้น้องนมนานแล้วแต่เราห่วงคนไหนเราก็อุทิศ ให้กับคนนั้นถ้าเราอยากจะอุทิศให้หลายๆคนเราก็ต้องทําหลายๆจานถวายของหลายๆชุดถวายสังฆทานหนึ่งชุดมันก็ถวายให้กับคนตายได้คนหนึ่งถ้าอยากจะอุทิศบุญให้คนตายสิบคนก็ต้องถวายสักสิบชุดเนี่ยมันก็จะได้แบ่งกันทั่วถึงหน่อยคําถามจากคุณแนตตี้ปรึกษากราบหลวงพ่อค่ะขอหลวงพ่อช่วยอธิบาย เรื่องธาตุสี่ของสรรพสิ่งค่ะขอบคุณค่ะอ่ามีอะไรไม่เป็นธาตุบ้างอะ่ะลองจับดูสิตัวเราร่่งกายเรานี้ก็ของไหนที่แข็งก็เรียกว่าธาตุดินของไหนที่เหลวเราเรียกก็ธ า, าตุน้ำเนี่ยฉีย่ออกมานี่ก็ธาตุน้ำฉี่ออกมาอ้วนน้ำลายก็เป็นธาตุน้ำออกมาจับจับแขนจับขานี้มันก็เป็นธาตุดินของแข็งผมเรานี้ก็เป็นธาตุดิน ของต่างางที่เราจับต้องนี้มันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นธาตุดินมือถือที่เราใช้กันอยู่นี้ก็เป็นธาตุดินนะเป็นของแข็งลมหายใจที่เราหายใจเข้าก็เป็นธาตุลมน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นธาตุน้าของไหนเนี่ยมันมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมัมนมีอยู่สี่อย่างนี้ที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินธาตุไฟ คำถามจากคุณเดือนฉายจิตตบุตรกราบเรียนถามเจ้าคะ่ะถ้าเรารักษาสิบแปดแต่เราทำได้แค่เจ็ดข้อเราจะได้บุญข้อที่เราทำได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้บุญเลยเจ้าคะ่ะเอาได้สิข้อไหนเราทำได้เราก็ได้เหมือนสอบเนี่ยสอบสอบ1ิบข้อเราทำได้แปดข้อเขาก็ไม่ได้ลบข้อแปดข้อที่เราทำได้เขาก็ให้เราแปดสิบคะแนน อันนี้ก็เหมือนการรักษาศีลได้เจ็ดข้อก็แสดงว่าได้ไม่ครบร้อยได้ได้หกได้เก้าสิบคะแนนเพราะว่ายังขาดอีกข้อหนึ่งถ้าถ้ารักษาไม่ได้ก็ข้อนั้นก็ไม่ได้ไปหมดแล้วบางคนก็เข้าใจผิดเพราะว่ามีการอ阿าธนาศีลแบบวิสุงวิสุงการวิสุงวิสุงบอกขอรักขอรักษาศีลทั้งพวง ถ้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าขาดไปทั้งพวงอันนี้อาจจะเป็นการบังคับให้รักษาให้ครบถ้าไม่งั้นชอบเลือกรักษากันก็จะไม่รักษาครบแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็รักษาข้อไหนได้มันก็ได้ข้อนั้นข้อไหนรักษาไม่ได้มันก็ไม่ได้ข้อนั้นเท่านั้นเองก็พยายามรักษาเราต้องยอมรับว่าเวลาเราเริ่มต้นเราก็เป็นเหมือนเด็ก จะให้ลุกขึ้นมายืนมาเดินมาวิ่งได้เลยทันทีมันย่อมเป็นไปไม่ได้เด็กกว่าจะเดินจะยืนจะเดิ น, จ ะ, ดนจะวิ่งได้ก็ต้องมีการล้มลุกคลุกขานไปก่อนการรักษาศีลก็เหมือนกันเวลาเริ่มต้นเราก็เป็นเหมือนเด็กจะรักษาพร้อมกันห้าข้อเลยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้อาจจะได้บางวันวันนี้อาจจะได้ห้าข้อพวกนี้อาจจะเสียไปข้อหนึ่งมาเลนนี้อาจจะเสียอีกข้อหนึ่ง สลับกันไปเสียข้อนี้บ้างเสียข้อนั้นบ้างเพราะเรายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมจนชำนาด น, นั่นเองแต่ถ้าเรามันฝึกรักษาไปได้เรื่อยข้อไหนที่เราบกพร่องเราก็พยายามคอยคอยคุมมันให้มันใกล้ชิดหน่อยข้อไหนที่เรารักษาได้เราก็ไม่ต้องไปควบคุมมันอย่างใกล้ชิดคอยดูไยข้อที่เรารักษาไม่ได้ว่าจะทำผิด ถ้าเรามีสติคอยจดจอ่อเฝ้าดูอยู่ต่อไปมันก็จะทำได้งั้นเวลารักษาศีลตอนต้นก็อย่าไปเพ่งกันจนเกินไปพอจะรักษาปั๊บต้องรักษาให้ได้ทุกข้อถ้าไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่รักษาเลยอย่างนี้มันก็ไม่ดีพยายามรักษาเท่าที่เราจะรักษาได้ไปก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาไปถ้าเริ่มต้นรักษาได้ข้อหนึ่งก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้รักษาแล้วใช่ ถ้าได้สองข้อก็ยิ่งดีใหญ่ค่อยๆพัฒนาไปอย่าไปตั้งเป้าสูงตั้งว่าจะรักษาห้าข้อพอรักษาไม่ได้ก็ท้อเลยไม่รักษามันเล ย, เยมันจะกลับมาที่ศูนย์ใหม่มีคำถามจากคุณสุรชัยค่ะพระอาจารย์ครับพระโสดาบันเขายังแบ่งแยกนิกายอยู่ไหมครับพระโสดาบันท่าน ไม่รู้จะแบ่งแยกนิกายต์ทำไมท่านก็ไม่ได้เกี่ยวกับ น, นิกายอยู่แล้วเพราะท่านรู้ว่าการเป็นนิกายหรือไม่เป็นนิกายมันก็เป็นเพียงสมมุติเป็นเหมือนกับเป็นสมาคมสมาคมเขาก็มีหลายสมาคมใช่มมีสมาคมของหมอสมาคมของพยาบาลเขาก็ไม่มาปนกันเขาก็แยกกันอยู่ตามสมาคมเพระโสดาบันท่านก็จะเป็นคนที่รู้สังคม อลนรู้วสังคมนี noir, ้เขาเป็นอย่างนี like ้สังคมนั้นเป็นอย่างนั้นท่านก็ปฏิบัติตามกฎของสังคมถ้าท่านไปอยู่สังคมนั้นเขาให้ทําอย่างไรก็ทําตามสังคมนั้นท่านก็ไม่ฝ่าฝืนถ้าท่านทําไม่ได้ท่านก็ไม่เข้าสังคมนั้นเช่นไปเจอสังคมคนกินเหล้าอย่างนี้เขาชวนให้กินเหล้าก็โสดาบันท่านก็ไม่เข้าสังคมนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนิกายก็เป็นเหมือนสังคมเป็นสังคมของพระ พระก็มีนิกายต่างๆเพราะว่าแต่ละนิกายก็มีการปฏิบัติไม่เหมือนกันฉะนั้นพระโสดาบันท่านก็อยู่ที่ว่าท่านอยู่สังคมไหนท่านอยู่นิกายไหนท่านก็เคารพนิกายนั้นไปคำถามจากคุณนันทพัชกราบพระอาจารย์ค่ะเราจะทราบได้ไหมคะว่าจิตเราเข้าเขต พ, พระโสดาบันหรือยังคะ เราไม่รู้ชื่อหรอกแต่เราจะรู้อาการของพระโสดาบันเหมือนกินข้าวเนี่ยเราไม่รู้เรามันอิ่มขนาดไหนอิ่มเบอร์หนึ่งหรืออิ่มเบอร์สองอิ่มเบอร์สามต้องไปอ่านหนังสือทางโภชนาก่อก่อนเขาอาจจะเขียนว่าถ้าอิ่มแบบนี้อิ่มเบอร์หนึ่งนะถ้าอิ่มแบบนี้อิ่มเบอร์สองถ้าอิ่มแบบนี้อิ่มเบอร์สามอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพระอริยเจ้าก็ เป็นการทำจิตใจให้มีความอิ่มความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงนี่เขาก็จะรู้ว่าพอเป็นโสดาบันเขาจะมีความสุขแบบนี้อิ่มแบบนี้แต่เขาไม่รู้ชื่อท่านเองจนกว่าเขาจะมาอ่านหนังสือของพระพุทธเจ้าถึงจะรู้ว่าอออิ่มแบบนี้เป็นของพระโสดาบันนะอิ่มแบบนี้เป็นของพระสกิดาคามีนะแต่ถ้าไม่เคยอ่านหนังสือมาก่อนจะไม่รู้แต่ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะรู้ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างไรคําถามจากคุณลาฟสิลห้าไม่ครบได้เกิดเป็นมนุษย์ใหม่ครับก็โอกาสที่ถ้าสินห้าไม่ครบมันก็ต้องไปใช้ข้อที่เราทําไม่ครบก่อนเราทําผิดข้อไหนมันก็จะดึงให้เราไปไปเกิดในอบายก็อยู่นานไม่นานก็อยู่ที่ว่าทําผิดมากทําผิดน้อย เหมือ น, นเหมือนทางโลกนี่ถ้าทำทำทำผิดกฎหมายถ้าข้อหาหนักก็ติดยาวหน่อยถ้าข้อหาเบาก็ติดน้อยหน่อยรักทรัพย์ร้อยบาทกับรักทรัพย์พันบาทนี้อาจจะติดยาวไม่ยาวต่างกันชั้นใดการทำผิดศีลมากผิดศีลน้อยก็จะดึงให้เราไปอยู่ในอาบายได้มากได้น้อยได้ได้ได้นานไม่นานต่างกันไป คำถามจากคุณทิชาถ้าต้องการแผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่พูดกับเราเราสามารถแผ่ในใจได้ไหมคะแล้วเขาจะได้รับไหมคะไม่ได้หรอกแล้วก็ส่งของขวัญไปให้เขาสิออส่งของขวัญไป เ, ออเขียนผู้ไม่ประสงค์ออกนามก็ได้หรือเขียนชื่อเราก็ได้แล้วก็ไปวางไว้ที่โต๊ะเขาไปวางไว้ที่หน้าประตูบ้านเขาเ อ, อแล้วพอเขาเปิดมาดูเขาก็จะเห็น แล้วเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะมาคุยกับเราก็ได้ส่งไปเอาของที่เขาชอบของที่เขารักมากๆดูเดี๋ยวเขาอดที่จะคุยกับเราไม่ได้หมดแล้วเลยจะแผ่เมตตาให้คนเขารักเราชอบเราต้องให้ทำให้เขามีความสุขมากๆการที่จะทำให้เขามีความสุขมากๆต้องรู้ว่าอะไรทำให้เขามีความสุขเขาชอบสิ่งไหนถ้าเขาชอบอน้ำหอมยีห้อนี้ลองซื้อไปให้เขาดูหน รับรองได้เดี๋ยวเขาก็ต้องมีความสุขแล้วเขาก็จะอดที่อยากจะคุยกับเราไม่ได้อยากที่จะขอบคุณเราไม่ได้เองแต่เราต้องใจเย็นๆนะเพราะคนบางคนใจเหมือนหินนะต้องใช้เวลาหน่อยเหมือนน้ำนี่หินจะก้อนใหญ่ขนาดไหนน้ำทีละหยดสองหยดนี่มันก็สามารถทาให้หินแตกได้นะแต่ต้องใช้เวลาหน่อย การที่เราจะชนะใจคนที่เขาโกรธเราเกลียดเรานี่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเราให้ความสุขเขาไปเรื่อยๆส่งของที่เขารักเขาชอบไปให้เขาเรื่อยๆเดี๋ยวใจเขาก็จะต้อง อ, อ่อนลงในที่สุดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาดีกับเราได้ต่อไปหมดแล้วใช่ไหมมีอีกคำถามหนึ่งค่ะจากคุณดีดีกราบในมัสการเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่า ถ้าเราบวชในบวชจิตแต่เรายังถือศีลห้าไม่ถึงศีลแปดจะได้ไหมคะอะถ้าถือศีลห้าก็ถือว่าบวชบวชแค่ศีลห้า่นีจะไปถือบวชศีลแปดได้ยงไงการบวชมันก็ต้องบวชทั้งกายวาจาใจเพราะการถือศีลมันก็จะบังคับใจไปในตัวไม่ใช่ว่าถือศีลห้าแล้วในใจบอกว่ายัางเปยัง ยังอยากเที่ยวอยู่ยังอยากดูหนังฟังเพลงอยู่นี่มันก็ยังใช่ไม่ได้บวชใช่ไหถ้าถือศีลห้าก็ถือว่าบวชแค่ระดับศีลห้าถ้าถือศีลแปดก็ถือว่าบวชระดับศีลแปดถ้าไม่มีคำถาม ก, ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา